ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุกมกำลังนําเสนอประเด็นคุณสมบัติของประสา ท, ทีิบุตรเทระเป็นประธานซึ่งหมายความว่าพระหานทั้งหลายนั้นท่านก็มีปัญญาด้วยกันเพียงแต่ จะยิ่งย่อนแตกต่างกันจุบ้างแต่ว่าสวะกิเลสนั้นได้หมดไปจากจิตใจของท่านเหมือนกันก็เรียกว่าบรรลุอาสวกรญาณเหมือนกันในที่นี้เนื่องจากท่านยกตัวอย่างพระสารีบุตรเทราเป็นเป็นต้นแบบวันก่อนเราได้พูดถึงประเด็นคำว่ามีปัญญามาก จนถึงกับมีปัญญายิ่งใหญ่เดอท่านก็อธิบายด้วยมาว่าปัญญามากเป็นอย่างไรมาถึงประเด็นที่เรียกว่าปัญญากว้างขวางคำว่าปัญญากว้างขวางนั้นคือยานเป็นไปในขันต่างๆมากในธาตุต่างๆมากในยตนะต่างๆมาก ในปฏิจจสมุปบาทต่างๆมากในความได้หนึ่งเนงซึ่งสุญญะตะต่างๆมากในอัตต่างๆมากในธรรมต่างๆมากในดิรุษต่างๆมากในปฏิภาณต่างๆมากเมื่อก่อนก็ได้พูดมาถึงประเด็นนี้ทุกฟังลองสังเกตว่าสาระแห่งธรรมานั้น ก็เป็นองค์ธรรมอย่างเดียวกันแต่ว่าท่านใช้คำว่ากว้างขวางบ้างใช้คำว่ามากบ้างคำว่าแจ่มแจ้งบ้างคำว่าวงไวบ้างแล้วก็อธิบายให้เห็นทำนองคล้ายๆกับว่าเราบอกว่าของใหญ่ก็หมายถึง มีกว้างมากมียาวมากมีสูงมากและอาจจะลึกมากเราก็สรุปรวมเรียกว่าของนั้นมันใหญ่ทีนี้พอมาอธิบายเป็นมุมมุมด้านกว้างมากมุมด้านสูงมากมุมด้านยาวมากมุมด้านลึกมาก ก็คือพูดถึงเรื่องของชิ้นั้นนั่นเองแต่ประเด็นสาระเนื้อหาบางช่วงเนี่ยมันจะต่างกันเช่นว่าคำว่ามากกับคำว่าต้้งขวางเนี่ยก็หมุนช่วยซึ่งกันและกัน แต่ว่าหยิบมาที่บายคนละประเด็นกันได้ผลประการต่อไปท่านก็บอกว่าในสีละขั น, นต่างๆมากคือมีปัญญากว้างขวางในสีละขันคือในกองแห่งสีนสีนางเราเคยเจอเยอะเพราะเป็นเรื่องของสินสมาธิปัญญา แต่มีปัญญาลึกซึ้งกว้างขวางในศีลแม้ในสมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเป็นนันมากที่ท่านสงสัยว่าการกระทําของท่านนั้นเป็นนบัติหรือไม่เป็นนบัติก็คือผิดศีลหรือไม่ผิดศีลกรถามพระทัวไปบางทีท่านก็เตียงกัน เิเถียงว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินัยอะไรไม่เป็นธรรมอะไรไม่เป็นบินัยอะไรเป็นคำสอนของพระศาสนาอะไรไม่เป็นคำสอนของพระศาสนานี้เถียงกันได้เรื่อยๆจนขนาดในการสังขายนาครั้งที่หนึ่งมันก็เถียงกันในประเด็นของศีลคือสิกขาบทเนี่ยประเด็นคำว่าสิกขาบทเล็กน้อย หมายความว่าอย่างไงปรากฏว่าต่างคนต่างอธิบายไม่ไม่เหมือนกันกระเจนว่าเหมือนกับเราของขนาดต่างๆมาวางเรียงกันเราจะพูดว่าชิ้นหนึ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งเล็กก็ได้แต่ชิ้นเล็กนัน้นมันมีชิ้นที่เล็กกว่านั้น ชิ้นเล็กกว่านั้นมันมีชิ้นเล็กกว่านั้นชิ้นเล็กกว่านั้นมันมีชิ้นเล็กกว่านั้นเพราะพอจับคู่เทียบเคียงเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กแต่เทียบเคียงกับใครแล้วหญ่ก็เหมือนกันมันก็มีใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าขึ้นไปจะถึงอวิชะพะที่กองรวมนั้นชิ้นไหนที่ใหญ่ที่สุด แล้วพอไปเทียบกับชิ้นที่เล็กที่สุดก็สแสดงว่าชิ้นเล็กนั้นเล็กแต่ถ้าชิ้นเล็กไปเจอกับชิ้นเล็กกว่านั้นทำยังไงมันก็ไม่ได้เล็กอีกมันก็ใหญ่อาหารนั้นท่านรู้แน่นอนบทสีขาวบทเล็กน้อยในพุทธประสงค์นั้นหมายถึงสีขาวบทอะไรบ้าง แต่ว่าถ้าเห็นว่ามันความรู้สึกเหล่านี้บางทีมันเกี่ยวกับความรู้สึกของชาวบ้านเช่นสมมติว่าชาบ้านก็กินข้าวเย็นทุกวันก็ไม่เห็นว่ามเป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ถ้าชาวบ้านที่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะหมาเห็นพระนั่งกินข้าวเย็นอยู่ก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลย เพราะว่าสถานะมันแตกต่างกันในขณะเดียวกันถ้เห็นเนรก่อนชาวบ้านก็อาจจะมองเนรเป็ น, เ ป, นเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยในรูปองการให้อภัยได้เข้าใจได้กระเด็นยังเล็กก็ยังหิวอยู่การอดทนไม่ได้ก็ให้อภัยได้ออกมาถึงพระบวตใหม่ อายุยังไม่มากเพิ่มบวชไม่ ก, กี่วันยังควบคุมตัวเองไม่ได้ดีก็มองให้อภัยได้แต่ถ้าพอพระพรรษาสูงขึ้นเนี่ยให้อภัยไม่ได้แล้วท่านตั้งที่ถามมันผิดอะไรมันผิดวินัยของพระไม่ได้ผิดวินัยของโยมเลยแต่โยมมีความรู้สึกอย่างนั้น ทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ได้ฉันข้าวเย็นอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งเขาไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธแล้วก็บางประเทศพระก็กินข้าวเย็นเช่นพระมหายาเนี่ยาก็กินข้าว เ, เ, เย็นแต่เทราวาตไปกินข้าวเย็นด้วยชาวบ้านไม่รู้ว่าเทราวาตกินไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตำหนิอะไรก็อาจจะซื้อแล้วนามาถวายก็ได้ นั้นแสดงว่าความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องสิกขาบทหรือสีละขันนี่มันต่างกันที่ในการเข้าใจลึกซึ้งนี่จะยกตัวอย่างว่าปานาติบาตการฆ่าสัตว์ได้ตายฆ่าเองก็เป็นอบัตใ้คนอื่นฆ่าก็เป็นนบัต ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าก็เป็นอาบัติมีใจชื่นชมยินดีกับผู้ฆ่าและก็สิ่งที่ถูกฆ่าจิตใจก็ขุนมัวสมองศีลมันไม่ถึงก็ขาดแต่มันด่างมันทะลุมันพลอยไปเพราะอะไรเพราะว่ายินดีในอกุศล ใจจะยินดีในอกุศลนั้นกายมันไม่ผิดหรอกวาจาก็ไม่ผิดแต่ว่าจิตมันเศ้าหมองจิตมันผิดเมื่อจิตมันเศ้าหมองแล้วก็ตาไปบังเกิดในทุกขติจนถึงกับความดมฤ บ, บางอย่างเช่นสมมติว่าพระบวชบวชแล้วไปคิดถึงแฟนสมัยก่อนบวช ก็ท่านคิดเองไม่มีใครรู้ว่าท่านคิดแต่ท่านเข้าใจสีลหันลึกซึ้งท่านจะตำหนิตัวท่านเองนะความคิดมันประกอบริยเมทุนสังโยคคือคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอิจใจก็คุณมัวซัหมองสมาธิก็ไม่เกิดมันถึงก็ต้องอาบัตไหมมันไม่ถึงกับเป็นสิกขาบท แต่มันก็เ ส, ส, สื่ก็สหมองที่เมองก็ตายไปบังเกิดในทุกติได้อย่างท่านเล่าถึงเอรากปัฏนากราชสมัยของพระพุทธเจ้านั้นก็เกิดเป็นนาคราชแต่ประกอหน้านั้นไปหนึ่งพุทธันดรเนี่ยสมัยประกาศสป่าสมมาสมพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นภิกษุ เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานด้วยก็นั่งเรือไปในมหาสมุทรท่านก็มือนี่เราะราน้ำไปเรื่อยๆแล้วไปเกี่ยวสาลายทะเลท่านก็ไม่ยอมยกมือขึ้นสาลายก็ขาดท่านเห็นว่าเป็นสิขาบนเล็กน้อยก็กระดาษอาบรรทุกกด เลยก็ไม่ได้แสดงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สองหมื่นปีก่อนที่จิตจะดับจิตเกิดปเป็นเหนียวระลึกถึงสารายทะเลที่ขาดแล้วตัวเองยังไม่แสดงอบับดุจเจ้ยก็คุณมัวสศหมองตายไปก็บังเกิดเป็นนาคราศมีอายุอยู่พุทธดรนหนึ่งนะ ห่มจะกว่าเห็นไหมว่าเนี่ยคือคือศีลมันประณีตขึ้นไปทางตั้งใจประนีตขึ้นไปเดินไปเดินมาก็สรุปว่ถึงใจทุกทีแหละแต่ยังไม่ถึงใจก็ยังไม่กว้างขวางพอแต่การต่อไปก็สมาธิขันต่างๆมากคือกองแห่งสมาธิ สมาธินั้นต้องสงบนิวนทีนี้นิวรแต่ละข้อเนี่ยมันมีหยาบกลางละเอียดของมันในระดับสมาธิเป็นนิวนณ์ระดับหยาบ <c oughs> พูดง่ายมากิเลสระดับกลางมันไม่ได้ผิดชั้นสีหนอกแต่ผิดชั้นสมาธิเ <c oughs> ่นว่าข้อกามฉัน ใจเดียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ใคร่ที่ตัวใคร่นะฮด้วยกิเลสเป็นเหตุคล้ครๆก็แสดงว่าจิตยังเกี่ยวเกาะ อ, อยู่ด้วยวัตถุกรรมเพราะว่ามีกิเลสการมให้จิตมันเกี่ยวเกาะสมองไหมก็สมองเป็นอคติส ว, วิตกไหมเป็นอกุสิส ว, วิตก เป็นมนโนทุจริตไหมเป็นมนโนทุจริตสมาธิเกิดได้ไหมก็เกิดอย่างไม่ได้นั่นคือความระเวียงทำไมถือมันสงบจริงๆอ่ะสงบได้ลึกจริงๆเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ากิเลสประเภทกา ร, รมฉันนั้นสงบได้ลึกจริงๆมันต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไป เกิมายความมาทําได้ก็ระดับพระนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นพระทั่วไปก็ยังทําไม่ได้พยาบาทยังลาคาญกับคนบางคนอยู่ลาคาญกับเสียงบางเสียงอยู่ําคาญกับรูปบางรูปอยู่ใจเศร้าหมองไหม้ก็เศร้าหมองเกิดสมาธิได้ไหมก็เกิดไม่ได้ ปีติเกิดขึ้นได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะไรเพราะว่ายังมีอาการขุนขุนมัวของจิตด้วยอำนาจของพยาบาทแล้วคนที่าบพยาบาทได้จริงๆก็คือพระนาคามีขึ้นไปละที่มิถะวงเหงาานอนก็มีลักนาะอย่างนั้น จนขนาดหนึ่งนี่จิตมันหดผูกจิตไม่พร้อมขาดความ ก, ะะกระจจดกระทบกระเจงขาดความปรับเปรีย่ยวขาดความคล่องแคล่วแต่ว่าจิตซ่อมมองไม่ก็ซ่อมมองสมาธิเกิดได้ไหมมีตกที่เป็นกุศลเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้เพราะใจมันยังแกว่งอยู่ที่นั่นวิธาตนี้ คนล่ำรวก็น่นแหละระดับพระอาณาะ อ, าอาริยบุคคลชนสูงอุทตจากความฟุง้งซ่านวงไว้ว่าเดียมมากุยฟุ้งนั่นเพราะงั้นคนที่ล่ำรวเด็ดขาดจริงๆ จ, ง จ, งจึงเป็นพรร า, ราความเครียแพรงสงสัยแต่กราบได้ยังแปลง ยังสงสัยนั่นสงสัยนี่สงสัยโ น, น้นแม้แต่สงสัยในประคุณประภุทิเจ้าก็แสดงยังสงสั ย, ยแต่มีอาการของโมหะอยู่สมาธิเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้วิจาร์เกิดได้ไหมก็เกิดยังไม่ได้ก็สแสดงว่าชาติมันก็ไม่เกิดแม้แต่ประตูมชาิเองก็ยังไม่เกิด เพาะแนวตัวนี้เวลาท่านอธิบายเนี่ยเราจึงรู้สึกโอละเอียดจังละเอียดทยิบเลยแต่แนวตัวนี้มันจะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ไปสัมมิธามักู่นิเทศมานิเทศไปขึ้นไปอภิธรรมอาังคณีเนี่ยกุจะอธิบายละเอียดในแล้วอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคนที่เรียนรู้อภิธรรมจนเข้าใจแตกฉาน ด้วยผลของการปฏิบัตินะั้นมีข้อแม้ว่าด้วยผลของการปฏิบัติจึงทําได้ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าโดยปริยัติคือท่องจํานั้นก็ทําได้เราก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่ก็หยิบอ่านเส้นหน่อยหนึ่งตั้งข้อสังเกตดีจับประเด็นให้ดีมันจะมีปัญหาอยู่หน่อยในอตอนที่จําไว้ได้สามารถมาเรียงสาวนะอะไรต่างๆได้ อธิบายลักษณะกิจรถปฏุปท า, ต, าต่างได้ส่วนมากก็คือนขึ้นแตกท้องจำไม่ใช่เปเื่องสัมผัสตรงสัมผัสตรงก็ยิ่งลึกซึ้งใหญ่พอมาถึงปัญญาขันเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาจะเห็นไจลัก น, นคือการเห็นไจลักเนี่ หมายความว่าจะเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัจทรทรทงการวิญญาเกิดขึ้นด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัณหามาณทิติมันลดลงไปด้วยแล้วปริมาณของปัญญามเพิ่มสูงขึ้นด้วยและสธานในปรตัตนาตรก็หนักแน่นมั่นคงขึ้นด้วยเราก็ ต, ต้องเห็นทั้งสีด้าน พร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าเกิดพร้อมทั้งสี่ด้าจัวทำนองได้ดค่าเรารับประทานอาหารเห็นอาหารพร่องไปบ่ด้วยเห็นเหตุได้หิวลดลงด้วยเห็นความหิวลดหายไปด้วยเห็นความอิ่มเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าขาดไปสักอย่างมันก็ไม่อิ่มนอาหารไม่พร่องเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้กิน เต่หิวก็ต้องยังอยู่ความหิวก็ต้องยังอยู่ความอิ่มก็ยังไม่เกิดถ้าเกิดมันต้องเห็นครบทั้งสี่อย่างเพราะผการปฏิบัติระดับนี้ระดับญาณระดับปัญญาที่ทําให้เป็นพระโสดบัปัญญาจึงสูงขึ้นเป็นทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนะคือทิฏฐิที่สมบูรณ์ นิวรณ์ดับไปห้าข้อไปไม่ใด้สังโยชน์ดับไปสามข้อคือสักกายทิฏฐิวิจิพิชาและก็สีละระปตปรามาสัทธาเพิ่มขึ้นสี่ข้อคือสัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสรร์ในในใจศีกขาแล้วก็กิเลสดับไปสามอย่างอีกครับ ตกลงว่ามีปัญญาสูงขึ้นมีศรัทธาสูงขึ้นใจสิกขาสมบูรณ์ขึ้นคืออย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลสิกขาศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมา ณ, มาณแล้วก็สังโยชน์ก็ดับไปสามข้ออันนี้เรียกว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งการต่อไปวิมุตติขันต่างๆมาก มิมุตก็คือจิตที่หลุดพ้นจากกนานั่งของกิเลส ท, ที่ทำให้จิตมันนิ่งเหมือนภูเขาสิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อลมฝนที่พัดตกมาจากทิศทั้งหลายแม้แผ่นดินไหวภูเขาก็ไม่ไหวแล้ก็แสดงให้เห็นว่าความหลุดพ้นของเราที่เราหลุดพ้นกันอยู่ทุกวันเนี่ย อีละนิดทีละนอยที่ละก้างละเล็กและน้อยเนี่ยในลึกซึ้งอะไรหรอกพอเจอรมกระแทกแรงๆเข้ามาก็หวั่นไหวแล้วแต่ของท่านมันสมุทรเชตวิมุตคือตัดขาดจริงๆมันไม่มีรากงาวไม่มีรากงาวเหลืออยู่เลยไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยอย่างในปัจจุบันการปลูกพืชเนี่ยเราจะเห็นว่า มันพัฒนาไปจนถึงเนื้อเยื่อนิดเดียวดูไม่ไปเห็นได้ทำไปแต่ก็เอามาเพราะเป็นเชื้อขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพืชชนิดนั้นได้แต่นี้มันไม่เหลือแม้แต่เป็นเนื้อเยื่อก็แสดงว่ากิเลสได้ดับไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆ ไม่เกิดกาเริบขึ้นมาแม้จะมีแรงกระตุ้นใดก็ตามจนเรียกว่าจิตออกไปจากอนนานาจของทุกเละเทลยัยงสิ้นเชิงแล้วก็แรงกระแทกมาจากข้างนอกหรือแรงจากข้า ง, างในไม่มีนะฮะแรงจากแรงกระแทกจากข้างนอกอาจจะมี แต่เพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุห้ยินดียินร้ายท่านก็ไม่มีความยินดียินร้ายคือไม่หวั่นไหวเหมือนศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวดังกล่าววิมุตติยานัทสนะมากคือความรู้ความเห็นในจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส มอกเห็นละเอียดลึกซึ้งไปไปสู่อนาคตนะฮะคือจริงท่านเห็นในปัจจุบันแต่ว่ามองไปสู่อนาคตแล้วก็อดีตชัดเจนเรียกว่าตีตังสยามอนากตตังสยานปัจจุบันดังสยานยานมันก็ต่อเชื่อมกันทั้งสามการย้อนอดอีตไปลิบล้นพ้นประมาณอนาคตนั้นมันมีเขามันนะ ยิ่งแต่ว่าท่านไม่มีกับมันเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุแต่ท่านเกิดดิแต่ถามว่าท่านรู้อนาคตไหมท่านก็รู้รู้ทั้งตัวของท่านและรู้ทั้งตัวของบุคคนอื่นที่แสดงเรื่องกฎของกรรมเอาไวนะ้การเมืองเกิดในอบายก็ดีการบังเกิดในสุกติก็ดีนั่นเป็นการพูดเรื่องอนาคตตอนนั้นก็ยังไม่ตาย เดี๋ยวเรื่องในเปรตวัตถุในพิมานวัตถุนะคนก็ตายไปแล้วไปเกิดแล้วตอนพอเทียบอ ก, การในปัจจุบันเขาก็เป็นอนาคตแล้วก็ก็มีอนาคตต่อไปเพราะว่าเขายังไม่เป็นพระอระหรันคนบางผู้นาคตมันก็สั้นอย่างพระนาคามีเนี่ยท่านก็อยู่ในสุทธาวาส มันก็นานแหละอยู่สุดทวารนั่นแต่ว่าก็ประกันได้ว่านิพพานที่สุดทวารไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วไม่ว่าจะด้วยประกันใดก็ตามแต่ว่าในขณะที่ตัานดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านอาจจะมาช่วยโลกในกรณีต่างๆก็เป็นไปตามความรู้สึกไม่คิดของท่าน แต่ว่าท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วไม่เกิดเป็นในภบชาติของมนุษย์อีกแล้วทีนี้ในฐานะและอาฐานะมากฐานะก็หนึ่งสิ่งที่เป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่เห็นปั๊บวินิจฉัยได้ปุบเป็นปั๊บวินิจฉัยได้ปุบไปแต่แน่นอนว่าท่านมองทะลุเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งสองอย่าง เหตุปัจจัยให้เป็นไปได้ก็เหตุปัจจัยให้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นความรู้สึกนะฮะเป็นญาณคือความรู้แต่ความรู้สึกต่างคนต่างก็พูดไปอย่าความการแสดงความคิดเห็นของคนเวลาเขาพูดบนเวทีอภิปรายไม่ว่าจะเป็นเวทีอะไรก็ตามคือเรควางแล้วเราก็เห็นว่าก็เป็นความเห็นของมนุษย์คนหนึ่ง แต่แกก็ไม่มีญาณยางรู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแด่กอานุมานาถึงเปอร์เซนที่จะถูกนั้นก็อาจจะมีหรอกมันไม่ใช่ถึงก็ไม่มีเลยแต่ไม่มีร้อยเปราเซเราไม่ใช่รู้เห็นด้วยญยาณแต่ว่ารู้เห็นด้วยข้อมูลต่างๆในอดีต ท, ที่ตัวเองสะสมไว้ แต่ว่าเงื่อนไของค์ประกอบนี่เราจะเห็นมามันต่างกันอย่างเงื่อนไของค์ประกอบต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงทางด้านการเมืองสมัยโบราณเราจะมาเทียวกับปัจจุบันมันก็ไม่ได้เพราะอดีตนั้นมันคนรับฟังข้อมูลจากสายเดียวจากทางเดียวมาความว่า พวกของใครก็ฟังจากพวกของคนนั้นแต่ปัจจุบันในคนรู้ข้อมูลรอบด้านเขาก็มองได้ย้อนอดีตแล้วก็อนุมานไปสู่อนาคตจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันแล้วก็ยังมีการสัมมนาและเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันก็ทําให้ ข้อมูลมีน้ำหนักสูงขึ้นการสุ่มเสีย่ยงมีแน่นอนแต่มันก็ไม่ใช่มากอย่างนั้นไม่ให่ามากอย่างในสนัยโบราณรู้ตัวอย่างง่ายๆในเรื่องรามเกียรติเรื่องเหตุที่ให้พระรามยกกองทัพมาเนี่ยก็คือเรื่องการขาโมยนางสีดานั่นเองแต่ว่าทศการ์สร้างนาวนิยายหลอก จาดอ่วงคงสาขึ้นมาจนเกิดอาการโกรธแค้นแทนทศกันดูหมินศักดิ์ศรีกันดูหมินวงพรมเมฆก็ยกพวกมาทำลายพระรามกองทัพพระรามโดยเห็นว่าที่พระรามยกออกไปรบกับเขานี่มีน้อยนะเขายกมารบมากกว่าก็ รุ่นหลังชุดพระของอะไรล่ะของพระลบของไม่ใจของพระรลดกับพระสัตรุดก็หลานชายพระมงกุฎกับพระลบเนี่ยก็ออกไปรบแต่ว่ายุคพระรามจริงๆท่านก็มาตั้งค่ายอยู่ตอนนั้นดัยนยกมาจากอโยธยาแต่ว่าถึงบริเวณค่ายท่านก็ตั้งค่าย ตทษตะการก็ส่งคนเข้าไปรบแต่คนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ถูกต้มอ่ะเรจะมีที่กุมประกัรมีพิเภกมีอินทรชิตนะฮะที่รู้อะไรเป็นอะไรรู้ความจริงอาจจะมีตัวละครตัวอื่นที่เขาไม่บอกไว้ว่ารู้ความจริงกี่คนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เชื่อคาเด็ดของโทษกรรแล้วก็ชวนกันตายไปเยอะแยะไปหมดเล แต่ก็แสดงว่าอะไรมันถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ในฐานะที่จะเป็นอย่างนั้นนะมายความยุกใดสมัยใดก็ตามถ้งเงื่อนไขปัจจัยต่างๆมันเป็นอย่างนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ร้อยปรเฐานะแลยฐานะเน้นเราก็มีอยู่ตลอดวาสะมบัดเข้าฌานได้อย่างลึกซึ้ง แล้วก็อริยสัจต่างๆมมกคืออริยสัจเนี่ยถ้าเรารู้เห็นตามความจริงระดับญาณแล้วเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดกระแสของธรรมะมันจะเลื่อนไหลไปได้เรื่อยๆเลยแล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของสัพพัญญุตญาณ ก็ส่งสรุปโลกแสนโกดจักรวาลเอาไว้ในคํำสี่คำตเองคือทุกส ม, ททมุทัยในรสมรรคและในภาคปฏิบัติก็ส่งสรุปไว้ได้วยคำคำเดียวก็คือภาวนาก็คืออริมักคคีองแปประการนั่นแหละแล้วก่อนจะนิพพานก็ส่งสรุปไว้ด้วยคําคําเดียวคือไม่ประมาท ในช่วง4พปี ส, ส่งแสดงอะไรไว้วิจิตทิสดานมากแล้วก็ตอนปลายก็สรุปสรุปสรุปสรุปสรุปเพราะนั้นมันต้องการความหลากหลายตามมุติภาวะของผู้ฟังแต่ว่าเพื่อคนจับหลักได้นะมันก็มาแสดงบทสรุปเอาไ้อย่างนั้นเพราะนาัดิษฐ์ต่างๆก็ส่ง อธิบายรายละเอียดเยอนะแม้แต่ทุกคําเดียวเกิดคําเดียวในบางทีก็โอ้ยาวเหย็นเลยแล้วก็ในสติปัฏฐานต่างๆนะสติปัฏฐานก็คือใช้สติสมัญ ญ, ญาความเพียรระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมทำให้จิตสงบบ้างทําให้จิตเกิดปัญญาบ้าง ก็แล้วแต่บางช่วงก็เป็นสมถะบางช่วงก็เป็นวิปัสนาเรามีจุดนัดพบเป็นอยู่ที่สัตตานางวิสุทิยาคือความบริสุทธิ์หมดจุดแห่งสัตตังหลายแล้วก็สา ม, มประทานก็คือสัมมาวยามะคือเพียรพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น กุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็หลดละไปจางคลายไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างให้มันเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้วในอิทธิบาทไม่ใช่ในอิธิบาทนะอิธิบาทสมากเหมือนกันอิธิบาทก็คือหนึ่ง ฉันทาความพอใจรักใครในสิ่งนั้นๆันน้สองวิยะเพียรพยายามมันประกอบในสิ่งนั้นๆสามจิตตะเอาใจใส่ฝักใยใส่ใจใสนใจในสิ่งนั้นนั้นมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นจนทำเหล่านี้เป็นปัฏฐานแล้วก็เป็นฐานที่หนักแน่นมั่นคงคือเป็นสมาธิก็เรียกว่าฉันทสมาธิปัฏฐานาสังขาร รุงแต่งจิตด้วยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆจนมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในองค์ธรรมทีละข้อแล้วก็ใ น, นซียก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาภ ะ, ะก็เหมือนกันก็คือศรัทธาภะวิริยภะสติภะริสมาธิภะริปัญญาภะทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อ ขจัดความเกียดค ร, รานขาจัดความเพอเรอความหลงลืมขจัดความฟุ้งซ่านสั้นสายมนจิตขจัดโมหะที่เกิดขึ้นครอบ ง, งาจิตจนเป็นใหญ่ในสถานะคนรัวเองสถาก็เป็นการใหญ่ในการน้อมใจเชือ่อ วิริยะก็เป็นใหญ่มีความกล้าหาญในการจะเพียนพยามุ่งมั่นไปสู่ผลที่ตนต้องการสติก็เป็นใหญ่ในการระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆสมาธิก็เป็นใหญ่เหนือจิตคือจิตจะไม่ฟุ้งสั้นชะสายไปในอารมณ์ต่าง ปัญญาก็เป็นใหญ่ครอกงับโมหะได้คือโมหะแทรกซ้อนขึ้นมาทำอันตรายไม่ได้แล้วก็ในโพชฌงต่างๆมาโพชฌงก็คือสติธรรมวิจัยแล้วก็ความเพียรวิทยาความเพียรปิติความเบื่อปินใจปสัสธิความสงบใจสมาธิความตั้งใจมัน่น แด้วก็อุเบกขาตัใจมัธยัติเป็นกลางอยู่กับมารมุมที่เป็นกลางเรียกเต็มๆว่าองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ศัจสรูธรรมคือสติคือธรรมวิจัยคือวิริยะคือปีติคือปัะสุิคือสมาธิคืออุเบกขาแล้วก็ต่อไปก็อริยมรรค อริมัมา ก, มากคือพวกข้างบนที่จริงก็คืออริยมรรคอริยมรรคเท่ากันทั้งนั้นก็มาสรุปรวมไว้ที่อริยมรรคอริยมรรคก็คือความจริงอันประเสริฐความจริงที่แท้จริงความจริงที่ทำให้คนเข้าถึงความจริงเป็นพระอริยะความจริงของพระอริยะ ก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าแสดงในรูปวงวงกลุมคือเริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็จบลงที่ความสมบูรณ์ของปัญญาก็แสดงว่าถ้าปัญญาสมบูรณ์แล้วก็ศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ศีล ส, สมาธินั้นก็ เป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนให้ปริมาณของปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นพอปัญญาสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์คล้ายๆกัเราตักน้ำเทใส่กาเนี่ยก็เมื่อน้ำมันเต็มผวยกาก็แสดงว่า ที่ปิดของฝากาเนี่ยมันก็เต็มเราก็มองที่ปวยกาก็ได้มองเปิดฝาขึ้นมองก็ได้ก็จะเห็นว่าเต็มด้วยกันแต่แน่นอนปวยกามันอยู่ต่ำกว่าไอ้ที่ปิดฝานั้นมันอยู่สูงกว่าในขณะที่ปวยกามันล้นแล้วในข้างบนยังไม่ล้นหรอก แต่ก็ถือว่าเต็มแล้วเพราะถ้ า, าว่าคืนเติมเข้าไปในน้ำมันจะล้นพวยกะก็เรียกว่าถ้าเติมก็เต็มด้วยกถ้ายังไม่เต็มก็ไม่เต็มด้วยกแล้วก็ส่วนอื่นของการนั้นก็เต็มนะฮะคือคือไม่ต้องไปดูมัน อริยมรดานก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบในอริยสัจสี้วยยานฮนะที่จริงๆที่สมบูรณ์จริงๆต้องเห็น้วยยานสัมมาสังกัปปะความดําบิณชอบคือดําริในการออกจากกามดําริในการไม่พยาบาทและดําริในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาก็คืองดเว้นจากวจีทุจริตสีประการบรเว้นจากการพูดเทศ งดเว้นจากการพูดสอเสียดงดเว้นใน ก, การพูดคําหยาบงดเว้นจากการพูดเพื่อเจอเดิดหลาสมากรรมัตะก็งดเว้นจากการประทุสรายชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลสมาชีว่าก็งดเว้นใน ก, การเลี้ยงชีพในทางผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจนละเมียดละไมไปถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรม แล้วแต่ว่าไปได้ดึกซึ้งขนาดไหนแต่ถ้าสมบูรณ์แล้วมันวัดกันที่ธรรมะหมายความว่าใจเราจะไม่โลภอยากได้ของของใครๆในทางที่ไม่ชอบทำหมายความยังไงหมายความว่าใจก็สุดจริตอะไม่เ น, นโอสุดจริต แ้วความพยายามชอบก็คือสมัประทานสีความลึกชอบก็คือสติประทานสีก็คือการตั้งจิตมั่นชอบก็เป็นสมาธิขันที่ว่ามันแล้วก็คือเรื่ององค์ธรรมเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีปริยายเทศนา อแสดงไว้โดยปริย า, าต่างๆและคำเหล่านี้ไปเจอเต๋พิธามจะเยอะ เ, อเจอเยอะเลยก็เรียกไปหลักธรรมสำคัญอย่างที่น่าสังเกตย่างงว่าหลักธรรมสำคัญเหล่านี้ส่วนมากแลลวในสมเด็จพระมาสมณเจากรมพระยาเวชยานโรดทรงนำมารวบรวมเรียบเรียงลงไว้ในหนังสือนอโวนกวะเล่มเล็ก ที่ใช้เรียนนักธรรมยตรีแล้วไปขยายไว้ที่ธรรมพิภาคปริเชตสองเราก็ว่านั้นเป็นธรรมพิภาคปริเชตหนึ่งแล้วก็ไปขยายไปพิสดารที่ผูธรรมวิจารผู้สมถฐกรรมัฐานวิปัสนากรรมัฐานเพราะถ้าคนตั้งใจอ่านหนังสือสีโทเอกนะักธรรมตีโทเอก ให้แตกฉานแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสบายนะคือได้ฟังอะไรก็ฟังเข้าใจเพราะว่ามันยึดโยงกันไปกันมาน า, นานจะออกไปจากหนังสือสามเล่มนี้สักทีเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หนวควาข้อเขียนการพูดการสอนการอธิบายอะไรต่างๆ มันก็อยู่ในแวดวงของโนโกวานขณะสมเดชประสังราชวราชบนพิษนี่ท่านสั่งให้พิมพ์พิมพ์ไปเล่มเล็กๆฉบับกระเป๋าก็ใส่กระเป๋าไปได้แล้วก็ตัดส่วนวินัยออกไปไว้ข้างหลังเอาธรรมะขึ้นไว้ข้างหน้าเพราะวินัยชาวบ้านไม่อ่านัะ แต่ว่าให้ได้อ่านเปิดเครื่องมาถึงก็เจอธรรมะ ก, กันแล้วกันก็เสร็จแล้วก็สามัญญหยผลคือผลจากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคในองแปดประการเป็นต้นมันจะเกิดผลเป็นความสะอาดสงบสว่างขึ้นภายในจิตใจของคนโดยลำดับจ น, นีน่นแหละคือผลผลสูงสุดก็ อภิญญาคือความรู้ยิ่งความรู้อย่างสูงก็มีโมโนมยิทธิมีฤทธิ์ในทางใจมีอิทีิวิธีแสดงฤทธิ์ได้มีที่ประสูหูชิบมีเจตุปริยานรู้ใจถ่ายใจบุคคลหรือได้มีบุเพนวาสารติยานลรือขาดขาดได้ตุปปาปาติยาน จากการจุติการปุบัติคนสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมแล้วก็อาศวะขยานยานที่ทำอาศวะให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจแล้วก็เรื่อยไปจนในพระนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ล่วงทรรมทั่วไปแก่ปุถุชนนี้ชื่อว่าปัญญากว้างขวา ง, วางตอนปัญญานะี่ยมันกว้างขวาง คือมองในมิติที่มันกว้างแต่ว่าสิ่งที่ถูกมองนั้นคือสิ่งเดิมองคธรรมชุดเดิมชุดที่ว่ามาแล้วมีปัญญามากเนี่ยก็เป็นองค์ธรรมชุดเดิมแล้วท่านก็ขยายออกไปเป็นเป็นชื่อปัญญานี่หลายประเภทด้วยกันจึงก็ มันน่าสนใจอีกอีกระดับหนึ่งแต่ว่ามันประนีตขึ้นนะฮะประนีตขึ้นละเอียดขึ้นจึ่งก็คงจะนำท่านสารชนทั้งหลายไปก็ประเด็นนี้เอาให้จบไปนะคือคืออาจจะซ้ําแต่ว่าเอาความจริงแต่คนไม่เคยอ่า น, นก็จําไม่ได้แล้วก็จําได้ก็อาจจะไม่เข้าใจ แล้วเราก็จนถึงเข้าใจด้วยยานเข้าใจด้วยผลของการปฏิบัติแต่ตราบใดยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเราก็ยังถือว่าไม่เข้าใจอย่ น, นเด็กทุกคนจึงต้องใช้ความพยายามจนกว่าจะได้สัมผัสผลสักระดับน้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามเผยบูตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทุกกันสวัสดี